สันติทาสสันตัาปาราชาชัคาติกาเทเสฮสุขมมัมังาาอ น, นุกามปีมังปชาต่อไปตั้งใจฟัง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 พราะาคุณแม่เราก็รู้อยู่แล้วว่าท่านเป็นผู้บริสุทธิ์ทางด้านจิตใจวงหลวงตาท่านก็รับรองแต่เรายกประเด็นคุณแม่เป็นหลักจากนั้นเราก็ทําบุญเ อ, อ่ยกคุณแม่แก้วฉีแก้วเป็นหลักอุทำบุญ อ, อุทิศสวนกุศลต่อผู้มีอุปกรณคุณของวัดอันนี้เราก็ทํามาอยู่หลายปีผลที่สุดเราก็ได้ไปสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ที่บ้านห้วยสายที่สํานักฉีบ้านห้วยสาย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 เพราะนั่นให้พวกเราก็จะน้อมนาจะตุกปัจจัยเนี่ยแหละเตรียมไว้จะได้สร้างไม่ลงพ่ออันนั้นอนาคตนะอนาคตทางว่าไม่ได้สร้างที่วัดปา่าบ้านตาดก็มาสร้างที่วัดปา่านาคำน้อยของเราต่อไปภายภาคหน้าเป็นไปได้ทั้งหมดละ่ะถ้ามีเงินพอที่วัดปา่านาคำน้อยเนี่ยจะลงที่ไหนก็ได้ทั้งหมด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 วัดนาคาน้อยเออเราก็เลยก็ชื่ออย่างไงก็ชื่อท์ไม่เห็นจะสำคัญที่ตรงไหนหรอกเขาจะให้ชื่ออย่างนี้ก็ชื่ออย่างนี้ละหลวงพ่อก็เลยเใส่ชื่อว่าวัดนาคาน้อยวัดอุดมมงคลวัดนารามแล้วก็วงเล็บวัดป่านาคาน้อยนี่แหละอันนี้คือความเป็นมาสรุปแล้วก็คือองค์หลวงตาที่ท่านได้เมตตา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 แต่ถ้าาพวกเราเป็นนักพรตนักปวดมาปฏิบัติธรรมส่งจิตสงใจออกไปข้างนอกมิตะขาดทุนเพ้อเป็นบ้าเป็นบอ้บบ ง, ง่ายๆเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายนะถ้าอยากจะได้กำไรแล้วก็ให้จิตใจอยู่กับตัวเองเป็นสมาธิอยู่ตลอดผนที่มีสมาธิอยู่ตลอดนั่นแหละจะได้กำไรนึกขึ้นมาเมื่อไรอุ่นใจเมื่อนั้นมีแต่ความสุขกายสุขใจ เพราะใจของเราอยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจของเราไม่เผล อ, อไม่หลงลืมไม่เผลอเลอะไปที่ไหนจิตใจเป็นสมาธิอยู่ตลอดอคนที่มีเป็นสมาธิอยู่ตลอดนั่นะไปนะักสถานที่ใดเหมือนกับคนเฝ้าบ้านอยู่ตลอดมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขแต่หาาเราใจของเราส่งใจส่งจิตออกไปข้างนอกจนตัวเองนั่งอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนไม่รู้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 ศึกษาตามแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนาสั่งสอนสมาธิทำยังไงเต็มใจให้สงบวิปัสนาใดคลี่คลายดูหาเหตุและผลให้เห็นจิตใจมันลุ่มหลงหลงอะไรท่านก็ว่าหลงร่างกายนี่หละหลงร่างกายว่าเป็นตัวตนของเราเนี่ยวันนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงให้เวลาพระบวชเข้ามาหรือสัมปันเนนบวชเข้ามาเนี่ย ท่านจึงให้กรรมฐานห้าเกซาโลมานะะัฆ่าธันตาตาโจตาโจทันตานะะักขาโลมาเกสาพูดไปแล้วก็ทับทบทวนอีกให้จำเอ่เมื่อจำเสร็จแล้วนก็ให้พิจรารณาตัวของเราใจของเราในหลงร่างกายว่าร่างกายนี่จะอยู่โชวฟ้าดินสลายตายไม่เป็นนะเออตายไม่เป็นนะถ้าคนร ล, ลึกถึงมรณะเมอยู่เสมอนะเราเราจะไม่หลงลืมตัว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 ให้สุขกายสุขใจเนออันนี้เราให้คิดให้คิดไว้ในใจอย่างนั้นนะอทางว่าท่านมีชีวิตอยู่ก็ให้เจริญด้วยยักษ์าบยศสรรเสริญทุกถ้าท่านล่วงลับไปแล้วก็ขอให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลถ้ามีทุกขอ์ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้ามีความสุขอยู่แล้วก็ขอให้มีความสุขจริงๆขึ้นไปเพราะวันนี้วันพรุ่งนี้เป็นวันทําบุญรวมญาติอย่างที่หลวงพ่อได้พูด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 ที่แรกก็ฆ่าคนตัวต่อตัวต่อมากระชวนญาติพี่น้องลูกหลานเขามาฆ่ากันอีกเ อ, อเป็นหมูเป็นคณะเป็นพรนไปเลยบัดเนีเ่ยนี่แหละเวรมันจะระงับไปได้ถ้าหากว่าพวกเราจองเวรกันอยู่ถามว่าเวรจะรักนับได้ก็คือการไม่จองเวรเพราะนั้นพวกเราได้มาพบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคําคสอนของพระพุทธเจ้าท่านยังว่าอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรำนายเวรอย่าได้จองเวรกันเอาเถอะ ที่เวรภัยที่ผ่านผ่านมาข้าพระเจ้ายินดีอโหสิอโหสิกรรมให้เนออยากได้จองเวรจองภัยโตกันแต่มันจะพวกเขาเหล่านั้นมันจะมาจองเวรเราอย่างพระพุทธเจ้ากับพระเทวทัตจัไงถึงพระเทวทัตจะจองเวรขนาดไหนพระพุทธเจ้ามีแต่ปกป้องถอยหลบหนีปกป้องทบนี้บางทีทเท ว, วทัตก็ได้ฆ่าพระพุทธเจ้าประมิ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 ผลนั้นการที่ไม่จองเวรดีที่สุดเขาตบมือข้างเดียวเราไม่ตบกลับ อ, อมันไม่มีเสียงดังนะออพอเราหลบสักเราก็ตบมือข้างเดียวไม่จะตบลมตบแรงไปผลที่สุดก็หมดไปหมดไ ป, ดไปเลยะนี่เพอเราไม่สู้กับเขาเราเรายอมแพ้เขาสะะักดวงหลวงตาการยอมเสียเปรียบคนนั้นแหละคือเมตตาเนี่ยองหลวงตาทันว่าอย่างนั้นนะ ให้พวกเราเนี่ยโดยมากไม่ยอมเสียเปรียบคนพอไม่ยอมเสียเปรียบคนกับผูกเวรผูกภัยขึ้นไปเรื่อยๆนะผลที่สุกใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆแต่ถ้าพวกเรายอมเสียเปรียบซะการเสียยอมเสียเปียบคนนะั่นแหละคือเมตตานะเพราะนั้นขอให้พวกเราลูกหลานทุกคนนะวันนี้หลวงพ่อคิดว่าจะไม่พูดอะไรยืดยาวแต่พ่อพูดไปแล้วกรกรมันพาไปเลยยาวๆนะด้วยอานาจ